ตอนนี้ไปจะแสดงเกี่ยวัเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากที่จะ ด, ดานไปอีกก็กายคือตัวคนเหล่านี้นะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี้หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนา ม, มาธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วจะอธิบายในเบื้องต้น ที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องจิตเป็นธาตุรนรุ่นเป็นของเดิมแ ท, ท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงทังเรื่องขันหะเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในกระสุนสไม่เห็นิ้งหลังอีกคือลูปกกำน้ำต่อมาก็มาแสดงทั้งเรื่องอายุสนะ คือรูปกํำน้ำอีกอาจจะได้แสดงถึงเรื่องอายจตนะภายนอกภายในอย่างละหกเป็นสิบสองอันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตสิบแปดอายจตนะภายนอกภายในอย่างละหกเมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข่ากระทบกันเข่าเกิดความรู้สึกขึ้น เรียกว่ายินญาณธาตุตกลงาสามหกเป็นสิบแปดที่อธิบายมาแล้วนี่หัวขอจดจ่ำไปเพียงยนย่อครนนี้อันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูกกำนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ ก็ไม่ใช่อื่นกายก็ได้แก่รูกกับนามนี้พราะลูกกับ น, นาม น, นี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้ตื่นพิเรศเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียวกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียวกว่าทุขเวทนาทุกขเวทนา อยู่ที่เฉยเรียกว่าอุเปกขาเวทนาทั้งหมดนี่แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแลนะถ้าจับต้นตอหกข้อบางตนไดอธิบายตรองแต่ธาตุมาขันอายตนะอินทรีธาตุเวทนาเ่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดทั้งเรื่องกิเลสเลยค่ะนี่ เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมุติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสไม่จะเกิดขึ้นตรงไหนแล ะ, ะวขันยังคิดดูดียังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันคือรูปรูปอย่า ง, างที่อย่่างทีว่าคือธาตุสี่ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนและคนหรือเห็นตัวของเราเนี่ยแหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่จะมี เวทนาสัญญาทั้งขาเนียนเวทนาคือความสเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับเป็นกิเลสยังไม่ทํา ม, มีตั ว, วกิเลสขึ้นมาสุขก็จักเสวยสุขทุกข์ก็ทักเสวยทุกข์โอเปค ข, ขาก็ทักได้โอเปคขาสัญญาคือความจํามันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจําจริ ง, งต่างๆได้มันก็ทักได้ว่าจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของปรุงมัแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีก เป็นชื่อของจิต ท, ที่มันปรุงมั้งแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องจิเลวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอีกมนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็ทักแต่ว่ารูปตาก็ทักแต่ว่าตามันสําหรับที่กระทบกันเท่านั้น เกิดความรู้สึกขึ้นก่อนชักจะบอรู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก่อนยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิริสอันนี้เพราะเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วคาะนี่มีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างกรยังไมไ่จัดเป็นกิเรตโดยเฉพาะลองคิดดูสิคาะนี้เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมด แยกแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนให้รู้หน้าที่ของแต่ละอาณาจักรหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเขางบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายไปนะั้ยังไม่ได้จัดเขางบกิเลสตรงที่มันจะ เ, เกิดกิเลสอ่นะมันเกิดเวทนานี่นะจนที่ว่าทกินี่คึกความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี หรือไม่สุขในทุกกรดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยากอยากได้เรียกว่าตัณห า, น, า, า, น, า, หานั่นแหละตัณหาตัวในตัวิริง ภาษาที่เราพูดกันกลับขวาง่ายๆพูดกันง่ายตามภาษาสามัญทั่วๆไปจะเรียกว่าตันหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันเนี่ยคือมันหาได้ป็นพัดตันคือมันหนีคนทางไปตันก็เลยหาคือมนปิดซะก่อนเนี่ยเคยงมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนในมืดๆอ่ะไม่มีทางออกแล้วก็งม อันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หาอีกอีกหนึ่งเรื่อที่เรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคําก็ได้หาไปเถอาแต่มีได้ปิดเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดวดัตถุด้านทุกทางหาไปเถอะจะหาอะ้รก็หาไปเถอ ะ, ะอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกนี้ใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียว พระุทธองค์ท่านพิจารณาเหตุอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตั้นหากขมหาตันนั้นพระุทธองค์ ย, งยังยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละแล ะ, และเปิดทั้งทางไม่หาไม่ตันอนานี้เปิดทังทางออกได้เหตุ น, นั้นว่ากิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตั้นหาออกจากไอเกิดจากเวทนานี้ เพรเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแหล่ในเรื่องทุกข์เกิดโภมนัตขัดแกงเฉยๆก็โง่ซึมนีคกกนมม่ความคิดนึกรู้สึกโง่ซึมมีชิเลตมาเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดทั้งเรื่องชีเลตได้เยอะแยะตั้นหาแล้วก็เกิดอุปทาน ความยึดมั่นคือมัน่นยึดบั่นที่มันแล้วขมืดเตือะะ้อแล้วคร่บยึดในสิ่งนก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายทิงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอวิชชาเนี่ยไปนู่นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริง อย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบด้วยละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอยากนอนอยากนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันเอหาตันหา ไม่มีทางเปิดรู้วนเบียดเดียเท่านี้จึงว่าตัวที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตามไี่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ระเรียวกว่ารู้รู้แล้วเปิดเปิดท้นทาง รู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามจริงๆเมื่อเห็นแจ้งตามจริงริงนั้นมันก็หมดหมดสงสัยอย่างเราเห็นจริงไดนก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งดามจริงเน่ยหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากรู้อีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัว แล้วก็อยากดูแล้วไม่รู้แล้วรู้รอบจนสักทีจะเห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ยังไม่ทันหายสงสัยนะนะเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันเงียบๆคล า, ายย่างเงี้เอาสมมติว่าคนเห็นกันอะเห็นคนสวยๆละ่ะผู้หญิงใหผ้ผู้ชายผู้ชายใผู้หญิงให้สวยละ่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันเ้ารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักผู้ชายเหมือนกัน แต่อยากดูไม่รู้จักสกจากจิตอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจิตเรี่ยวกว่ารู้มัวรู้ฟางอยากรู้ไปอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิงรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้แต่จําพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอน รู้แจ้งเห็นจริงรู้รู้ละรู้จริ ง, ร ง, รรรรรงเห็นคนเราละ่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็บ่าสวยผู้หญิงให้ผู้ชายก็บอกนี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เพียงว่าสวยนะยังแท่งพิจารณาเท่งความเกิดความดับของคนคนนะั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไร ดังอธิบายนในเบื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุสี่ถ้าเวลาธาตุด้านน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือา่านุประชุมในคนน่ะจะต้องมีค น, คนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกัน ก, ก้อนขี้ดินเหมือน ก, กับ้อนจินก่อนนะมันอย่างที่ว่ามาแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ไหยถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือ น, น้ำไฟลมเห็นเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมหายไม่จะหายต้องใส่ไหมเราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแนว่วคงไม่อยากดูต่อไปอชัดแล้วค่ะนี่ ก้อนทีนก้อนหรือจะพิจารณาซึ่งกันไปนั่นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินกินด้วยกินได้เป็นอย่างไรกัสท็อกลงกับมาบำรุงก้อนดีดนี่พอดิ่งก้อเนี่ย ไม่ใช่ความรุงให้เฉยเดยดินที่เขาโก้มันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เขาเท่าไรยิ่งเหม็นเขาเท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันผิดมันผิดเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความส ก, กปรกคืองเสื้อผ้าปฏิกูล อย่างที่พ า, าทัศนตรวจฉันอยู่อยังโคเมกายอยูกายของเรานแรุ่ษธังปาทตราเบื้องบนแต่พูเท่ามาอโทโเกสตามาก า, าอกาดนไปผมลงไปาาาตาจาเปรียนโมีอย่างมีหนังห้องอยู่เื้นที่สุดรอบปุโรนาและประการละตาอสุจินโดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประก า, ต, าต่างๆก็ไล่ไปทีครารนี้เจตาโรมานะขาตาตาโจไล่ไปตรงนี้แล้ววันไนทั้งของปฏิกุลสกปรก เราดูใกล้ๆ ก, ก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ํ า, าชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นอ่ะอย่าไปพูดกับคนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาบกิตาอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราไปพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใครอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วว่ามันเป็นของอย่างนั้นเลย เมื่อกหมดเรื่องหายสงสัยมีครบรู้ของปุถุเจ้ารู้อ่างนี้รู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนั้นิดจากความรู้ของโลกโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแยกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี้เอง แต่นี้จะอธิบายทังเรื่องอวิชชาเมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันไม่หมดตรงใส่ไม่หมดั้งสสยก็เป็นเหตุยืดยาวละครับตามหลักตามหลักที่พ ร, ระเดเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นา่าอวิชชาปัจจยาสังขาร อวิชชานี่พูดถึงเรื่อง <c oughs> จิตโดยเฉพาะสั้งขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอวิชชาปัจจยาสังขาร า, า, า, า, า, าเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสังส้งขารสั้งขาราปัจยายัญญาหนังเมื่อสั้งขาร์มีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอิญญาณวิน ญ, ญามีแล้วก็เกิดนามารูป จะเข้ามารับขันหาของเก่านั่นแหละรูกกำนามเมื่อก่า น, นแล้วก็เกิดอายตนะหรือตาหัวยหมูกเียงกายอายตนะอะก็เกิดพัฏสะแล้วก็เกิดเบธาขันหาอุไปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องเรื่องจิตอวิชชา เป็นเหตุใ้เกิดสังขารในเรื่องคำภีร์ในทางพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องลิจชาต ร, ตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิตปฏิสนธิจิตคณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิตที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเราเนี่ยอย่างว่าเรามีคลองนนหนึ่งเล็ก ควบประมาณสักต่อหนึ่งแล้วเหยียบอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้ละ่ะเรากล้าจะไปสู่ริมคลองทางนั้นเรียกว่าสนที่คณะจิตขณะนั้นเรียกว่าสนทิขณะคือมันไปต่อกันนะี่ยคณะจิตที่จะไปต่อกับฝัง่งนั้นเรียกว่าสนทิขคณะสนที่คณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในตัวงเรานี้ก็แล้วกัน อย่างว่าเวลานี่แหละเราทําความสงบเฉยอย่างนี้แหละมีจิตขั้นหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารูปหนึ่งเช่นอย่างนเสียงอะไรพุ่าปัาบสมายอย่างนเสียงแล้วแว่วแว่วขึ้าอย่างเราอยากไปฟังเสียงนั้นขั้นหน้าที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแว่วขึ้นมาในหูน่ะอันนั้นเรียกว่าสนที่ขณา คณะเนี่ยคณะให้ไปเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็ น, เ, ปนเหตุให้ไปเกิดได้อาการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือัตวานเป็นอะไรต่างๆไม่มีตัวในตัวคณะกินอันนั้นแหละที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆ ท, ทีเดียครั้ง น, นี้เมื่อไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์ น, นั้นมันมีหลายอย่างอย่างเกิดเป็นสัตว์บางพวกเกิดในไข่ เช่นเลี้ไข่ไก่บางพวกก็เกิดเป็นตัวคือเช่นงัวเช่นควายนสุนัขทุกกนนี้เป็นต้นหรือเป็นคนอย่างงี้เรียกว่าเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในใครันบางพวกนัก้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นต น, นตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลาย เช่นว่าตายอย่างนี้แหะไม่ต้องมีพ่อให้แม่แล่ละถ้เกิดเป็นผีเป็นพูดผีพีศสุตกนรกหรือไปเป็นทเทวดานั่นแหละท่านเรียกว่าอุปปัติกาสบางข้อไปเกิดในที่ทุกปรกโสโกครดประการต่างๆในที่ทุกปรกเรียกว่ า, า, าสัาส้งเสียชีะจิตตัวนี้แหละอัจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดก้าวเท่านั้นะ ถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจว่ามีปัญญาเจียดแยนฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนั้นก้าวไกลไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนี้ยพากัน ท, นทาําความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทําความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่นี่เห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางตูงนี้อันนี้เราว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิด อันนี้ขณะจีตเตี ย, ไยงไปเกิดขณ ะ, ะไปเกิดแล้วขานี่มันจะเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุสี่ยาไปเกิดในคันหรืว่ามันจะมีธาตุสี่อยู่ในที่นั้นอธิบายครั้งแรกนั้นท่านอธิบายว่าเกิดจากกัระทั้งภาวะธาตุทั้งฝ่ายวิดามันดาผสมกันเดียยว่ากัลละ เป็นของเลวเหลวละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตานั้นอนะ่ะที่มันไปเกาะอยู่ในที่นั้นไม่มีปรากรดเลยต่อาจางนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิปัญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วทำคุดผ้คือมันแปลจากาพปันน้ำที่เป็นของเลวๆและของทิ่ละเอียดนะ มาเป็นเหมือนกับน้ำล้างเลือดและก็ต่อแปรจะมามาเป็นคณะมาเป็นกรดมาเป็นเปสิกคือมาเป็นปุ่มมาเป็นประจัขาหาแหงอันนี้ว่าทั้งเรื่องปฏิสนธิจิตที่ก็เกิดมันมาเอาธาตุที่มาเป็นตนเป็นตัวมาปั้นเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมา เกิดจากอาวิชชาคือความมรู้จิตในขณะใดถ้าหากว่าเรารักษาคุ้มพองมาอยู่ยังเห็นดีเห็นชอบในอารมณ์หน้าต่างอยู่แล้วก็เรียกว่าอาวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตำราที่เขาพาใ น, ในสมัยเดียวนี่น่ะเขาพากันจับตัวจิตมีหลายอย่าง มีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้มาครอบหัวครอบจีตต่าไว้เวลาคนตายนี่ยเขาบอกว่ามันมีมันมีสีเรืองเหลืองลอยไปเขาได้ถือว่าจิตของคนนะั่นคือเป็นตัวเรืองเหลืองพวกพลังมันอาจจะเป็น แฉะหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเวลาคนดับแล้วถ้าตุแตกเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมันธาตุไฟที่มันดับแล้วมันอาจจะลอยออกไปมันวมันยังเหลือแต่ความเย็นเหลือแต่ฐานน้ำเพราะคนหลังเขาอยากเห็นตัวจิตเขเลยคิดเอาแก้วมาครอบไปห้เห็นงั้เขาถือว่าเป็นจิตจ้ะนานๆเข้ากันเลยความเชื่อนั่นก็เลยหายไป เขาหาวิธีที่จะจับจิตถ้าหาจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิอดอย่างแล้จะไปเกิดที่ไหนก็ก็าเสกแก้วไปแล้วก็ไปเกิดที่ตรงนั้นเอาไปทุกคนในท้องเป็นท้องไก่ท้องงูท้องคนแล้วท้องคนแล้วไปทุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องนันไปการทาจับจิตได้อย่างนั้นลองคิดดูสิแล้วนั่งอย่างนี้แหะ หากว่าเราจะเอาแก้ว ม, มาครอบมดัดทุกคนเนี่ยล่ะเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพคุณไปเที่ยวนะอะไรก่อนยัง ก, กันจะได้ไหมก็บอกว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาคนคว้า <c oughs> ในทางพุทธศาสนาทานั้งหมดจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึก ไม่ใช่มันอยู่ที่บนทีษะแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกหลังก็เถือมันอยู่ที่สมองเขาจะไปครอบอีกหัแต่มันมีความรู้สึกอยู่ในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกหนไปตัวความรู้สึกอันนั้นละ่ะตัวจิตคือความรู้สึกนั้นประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นอันนั้นเพียงแต่ว่าสำนักงานเข้ามาต่างหาก เช่ดีสมองเขาเรียกว่าประสาทไปรวมไปในที่นั่นเขาเรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดคงคิดความอ่านอะไรต่างๆไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่จบเหมือนการเข้าเรียนไม่จบทั้งนันในท้ายพุทธศาสนาท่านบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่ตามไม่ไม่รู้ตามเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายยไม่รู้ไรือเล่าทั่นสี่ดังอธิบายวานี่คันนี้อวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นเหตุที้เกิดสังขารต่อไปสังขารที่นี่นั้นหมายความมาถึงว่าอาวิชชาเมื่อมีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงดังอธิบายฟังามาแล้วมันจะต้องมาเกิดคือจะต้องเป็นปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเรีย ก, กว่าสังขารคือรูปสังขาร คื่ว่าก่อเป็นตัวในตัวเขาเรียกว่ารูปทั้งขาฉันหมายทั้งขาตัวนั้นทั้งขาและปัญญาวิญญาณเมื่อเกิดทั้งขานะกัตัววิญญาณตัวเก่าที่แบบพูด้คำอีกวิญญาณตัวนั้นแหละมันมีความรู้สึกแบบข่านี้เมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาต์น่ะตัววิวิชาก็คือตัวทั้งการคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้แหละ ที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลก็เลยเรียกว่าพเพียแงแต่วิญญาณและคราวนี้นตัววิชานี่ยก็คือวิญญาณตัวนี้แหละมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามจริงปัญญาไม่เกิดกะมันเรียกตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชาถ้าหากว่าเกิดความฉลาดวเฉียบแหลรู้แจ้งถึงแล้วตัววิญญาณในตัววิชาจะเนี่ยกลับไอตัวอวิวชาเนี่ยกลับเป็นวิชา เทนั da ้นวิญญาณตัวนี้น่ะยังไม่ทันรู้แจ้งพอมีทั้งขานแล้ก็มาคลองในทังขานคือก้อนนั่นแหะท่านในว่าทั้งขานปัญญาวิญญาณนั่งวิญญาณใะปัญานามารูปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูกทั้งนามเล่นตรงนั้นเมื่อวิญญาณทั้งขานมีแล้วก็มีทั้งลูกทั้งนามแล้วนั่นวิญญาณใปัญานามารูปังน่ะเป็นนามารุปแล้วเป็นนามเป็นลูกึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นลูกแล้วก็เป็นอายตนะอะไรขานนี้ เมื่อเป็นปัจจค้ า, หาแห่ง่ะข้อมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีอสนาเท่านั้นเอง <m> มีไอสนาอาจจ ะ, ะมีพัฏฐ์คือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีลูกมีหูแล้วก็มีจมูกมีมีเสียงกระทบของเขาถ้าเกิดภัฏฐ์แล้วก็เกิดยินยานเออเกิดกเวทนาคือความสุขความทุกข์ขแล้วก็เกิดอุปท า, าน ตัณหาเกิดตัณหาก็เสียดสยาณอธิบายกันต้นต้นแล้วก็เกิดเวทนาชาลาเจนตาปิยาพัทธโผพัท ธ, ธาปยาเวทนาเวทนาปยาตัณหาอธิบายมาแล้วตัณหาปยาปราปรถนังเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั น, มนเมื่อเกิดอุปทา น, น, นเป็นพบ ถ้าจะคู่กันแล้วมันเป็นภพมันจะไปได้สนทิอย่างอธิบายไปนในเบื้องต้นมันเป็พภขึ้นมาแล้วแต่นั่นท่านจะเป็นพพภายในเป็นพพตอนนี้ท่านหมายถึงพพอันตอนที่เกิดเป็นตัวเป็นตัวเวลาจะออกคลอดออกมากยังไร ช, ชาติชารามันนะโศกกระพิเศษทุกขโก์โศกนะถูกไหมญาติปล่ยใหญ่ใส่เต ว, วมีเด่ทุกข์ไปรุนรุนในทางนี้ทุกหลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าทังเรื่อง อาวิชามีหลักอยู่อีกกว่าท่านแสดงว่าไอการมาพิชังตัณหาที่ในหางวิชาเกสังอธิบายเข้าหลังนั่นเองอ <c oughs> าวิชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหาไอ้ตามเปรียบเหมือนกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนา ต้นห า, าเปรี่ยบมันกับอย่างคือน้ํามันของเพชรเม็ดผลนั้นนั้นเช่นเราปูกเถอะดินปู่เถอะดิส่งเนี่ยในถั่วดิสงมันต้องในเม็ดเัอะดิสงในเม็ดถดัอะ ด, ดิสงนะท่านอุปม า, า, าเปรียบมันก็กรรมกรรมคือสิ่งที่เรากระทาทําดีทําชั่วเรียกว่ากรรมทางนั้นเม็ดถัอะดิสงให่มาทันแห้งเรียกว่ายังมีอย่าง อันนี้สองนิ ม, มิตเมถุวที่สองที่มาแห้งน่ะยังเป็นอย่างนั่นอ่ะอันนี้ยราไปปลูกในนาปลูกในที่ใดเกิดสมมติถ้าฝนฟ้าฝนตกมามันชุ่มเย็นก็นงอกขึ้นมาเลยถึงว่ากรรมเป็นเหมือ น, น, นกับพืชผลตั้นหาเปรียบเหมือนกับยีง อ, อวิชาเปลียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องอารูปลูกอวิชาที่อธิบายไปนี่น่ะ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของทนพบชาติทางหวงมดที่จะให้เกิดขึ้นมากรรมทางดวงวัดที่เราทําดีทั้งชั่วทั้งปนทั้งหมดนั้นอันนี้แหละที่จะมาที่จะมาเกิดอนิจชาหม้ยคว่าทําดีน่ามาถึงที่สุดก็ยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกอยู่เมื่ออยากได้สุขก็ต้องอยากได้ทุกไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทั้งทำทั้งสองอย่างนี้จะเป็นคู่กันมีสุขก็ต้จะมีทุกมีดีก็จะมีชั่ว ถ้าทำยังสองอย่างอยู่ตลาบใดนี่ยังไปนนพ้นทุกเหตุ น, นั้นการทำดีทั้ง่วนจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ด ก, ก็ต้องมีอย่างเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นนั้นตัววิชาตัวนี้นะ่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยทิธีต่งาง ดังอธิบายมาถึง่ธาตุจิน้ำไฟลมเลือดกรหลั้งแต่ขันายสนะกเพื่อทำลายเจวิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถรองวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทานั่นอ่ะมันมีครบหมดไหนนะผมมีมีพืชมีผลเน่ะเช่นว่าเม็ดทวดินเราเห็นเม็ดทวดินนั่นเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกปเไน ไม่มีเถ้ามันกับไม้ไผ่ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเม็ดเถาดินเม็ดนึ่งเอานั้นมันยังระบากอยู่อ่าเทียบทั้งเม็ดขนนแล้วก็แล้วกันเม็ดขนนเม็ดมะม่วงนั่นเราจะเข้าใจว่าไม่มีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนนต้นนั่นอ่ะเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นไม่ว่าไม่มีต้นไม่ดอกไม่มีกิ่งนี้ง่าไม่มีผลนั่นเรียกว่ายัง เป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจมาเม็ดขนุนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผครอบมดอยู่ในทีน่นี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกแยกออกโดยอาการต่างๆอย่างที่อธิบายมาเนี่ยเห็นถ้าตุสีน้าไปลงโดยเป็นต้นอะ่ะอันนี้เรียกเราเรามาแยกแยกออกให้เห็นต้นลำ นึก ด, ดอกผลในต้นนั้นถ้าเราเห็นเ่าไม่มีแล้เอาเถอะเผลอไม่ได้แล้วไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกชุ่มเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็นแตกเป็นรากออกมาขวากกดพอรากขวากกดท่านั้นอ่ะนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอภิชฌาอันที่จะเกิดทั้งขานวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปจากนี้แยกออกมาเป็นรากเสีก่อน ต่อนี่ยก็กลายมาเป็นไยเนี่ยก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาเลยเป็นจริงเป็นหน้าขึ้นมาตลอดถึงจาเป็นรูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวเนี่ได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทําลายวิชาก็คือว่ามาแยกแยกเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาเดี๋ยวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้ว มันเป็นเรื่องกระเทาะเรือ่าเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นมันมันเกิดต่อไปอีกจึงอธิบายจ้ําเด า, าคาดวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อเข้าใจที่เรานอ น, นี้อีกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลท่านี้ตัวอริชาได้ถ้าหามาเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิด ตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดทั้งขานเกิดวินญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบอกเป็นเหตุให้เกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกนู่นน่ะตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภบชาติชรามนาโกลกาเปเทวทุกข์ทุนตัวทุกข์มาอยู่ตรงนู้อย่างนี้ปัญหาภบชาติ นี่ยังเป็นตัวสมุทยัยพอไปถึงอบชาติเทารามาณาโสกาเปเทวทุกคนนะเป็นตัวทุกโดยแท้ถ้าหากไม่เหตุชาติคือแ ย, ยกแ ย, ยกออกอธิบายดังอธิบายในเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิ ช, ชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าสังขารวิญญาณ น, นามโลกเทลายาจะไม่มีหมดไป มันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับาการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทยัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้มันต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องนี่จรียสัตธรรมี่คือทุกัสมุทัยโลดมกักครั้นนี้ถ้าหากไปรู้แล้ว ไ่รู้คือปัญญาธรรมะที่ดีเป็นเดิมมากแล้วก็ดับเรียกว่านิโรธมรรคกับนิโรธเป็นคู่ทุกเมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอาวิชชาก็เลยเป็นสมุทยัยเพราะฉะนั้นเป็นว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิด คือกรองจริงหรือว่าจับเนื้อความมันนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุบถึงยังไงยังไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบอบลมอย่าให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาส่งหน้าท่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบ า, ายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมเก็บรวมแล้วก็คือว่า ถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่สะสมอันนั้นเป็นวิถทางที่ถูกต้องบางคนนั่นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่ไม่รู้ไม่แต่ว่าปฏิบัติได้มันก็มีเหมือนกันถ้านเราพอมาเปรียบไว้หลายอย่างอย่ไปพากันเสียใจซึ่งไม่รู้จําไม่ได้แต่อไปเสียใจถ้าเรามาเปรียบไวอย่างนี้ เปียกท่านเปียบของหนูดอกไม่ได้เปรียบคนดอกเอาหนูมาเปรียบหนูบางอย่างพวกนั้นคดรูแต่ไม่อยู่บางพวกนั้นอยู่แต่เป็นดบางพวกนั้นไม่คดด้วยไม่อยู่ด้วยบางพวกนั้นทั้งคดทั้งอยู่ท่านกาเปรียบอย่างนี้หนูที่ ควัดรู้แล้วไม่อยู่นั้นก็มาเปรียบมันกับเรียนแล้วมันปฏิบัติรู้แล้วไม่ทำอันนี้เรียกว่าควัดแม่อยู่พวงหนึ่งนั้นไม่ควัดแต่อยู่ไปหาอยู่เรือรู้ของเขาท่านหลก็มาเปรียบมันก็พูไม่ได้เรียนศึกษาเกิจดจำตำหรับตำลาไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปรียบมันกับห น, นูที่ไม่ได้ควัดรู้แต่อยู่ จะหาอยู่ที่รูมันมีอยู่แล้วบางพวกทำไม่ควัดไม่อยู่เลยเหมือนกับคนขี้เกียจไม่ศึกษาเราเรียนยไว้สนใจไม่ฟังคำสอนอพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ไม่เอานับหูรับตาอยู่ทุกทุกอย่างอันนี้ทั้งไม่ควัดทั้งไม่อยู่หนูอีกกลุ่มพวกหนึง่งทั้งควัดด้วยอยู่ด้วยคือเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเข้าใจด้วยเหตุนั้น เราจะเป็นหนูจำพวกใดเราไม่ควนมาอยู่หรือหรือว่าจะควนแล้วลืออยู่หรือว่าไม่ต้องควนแต่ไปอยู่หรือว่าควแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูจำพวกใดหหเจ้าอย่างหนูจำพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี้ทุกคนมันต้องเป็นหนูจำพวกหนึ่งล่ะไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึ่งแหะแต่ว่าจะพวกไหนไม่จะดีกว่ากัน ให้พากันเลือกเอาธรรมะที่แสดงมาทั้งหมดนั้นน่ะถ้าหากเราฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติจำได้และปฏิบัติตามนั่นเป็นดีที่สุดแต่พวกหนูพวกคิดสี่ 4, ดีมากถ้าหากว่าเราคัดไม่เป็นแต่ว่าเราหาที่อยู่คือหัดอบรมจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถทำได้ ท่านอบรมตั้งสอนแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลาเรื่องมันคล่องแคล่วแค่นี้ทํานานอยากให้มันเสื่อมได้มากเลน้อยอยาให้มันเสื่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ออยังน่าว ด, ดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยเลยน้ำข้อน้นควัดแล้วไม่อยู่อันนั้นก็ก็ไม่ค่อยดีเลี้ยนรู้มากโมเลย แตนน่ตนเองก็ทำไม่ถูกทำไม่ได้สักทีอันนั้น ไ, ไม่ดีไม่ไดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละธรรมะที่แสดงมาดังนี้เป็นการสแสดงสลับขับซ้อนวกไปเวียนมาหลายอย่างหลายเรื่องหากว่าพากันได้เข้าไกเข้าใจแล้วจะได้กลมลูกพ่วงขวงขึ้นพิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากเนี้ยว่าฉันรู้และทั้งไม่ทันเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ทำอย่างหนู พวกที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดวรู้อยู่แต่ว่าเราไปอยู่รู้ของเพิ่นก็ยังน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่ดังนั้นทุกทุกคนยองพากันสนใจโดยนายอธิบายมานี้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยปรมาทธรรมเป็นกรมอรกม า, าทามออกา็าสามารถจะเห็นผลปรากฏ ป, ปรากฏขึ้นในตัวของตอนดังอธิบายมา